แบบนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติธรรมฐานของท่านสาธรชนทั้งหลายสืบต่อไปการปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนานั้นเรียก อ, อีกจังหนึ่งว่าการศึกษาเป็นระบบการพัฒนาจิตใจของบุคคลให้กิเลสลดน้อยถอยลงไปมีปริมาณของธรรมะเพิ่มพูนขึ้น วันเวลาพูดถึงผู้ที่ศึกษานัแยกออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเรียกว่าเสชาคือผู้ยังต้องศึกษาอยู่เมื่อกวลาโดยตรงก็ได้แก่พระญาบุคคลเจประเภทแรกคือเบโซดาปฏิมักโซดาปฏิผลสติตะคายมักสติตะคามผลนราตมักและอ่านและอารหัตมักอีกฝ่ายหนึ่งก็คืออเสขะก็คือพระอาราคัน ได้แก่ขั้นที่เข้าถึงอระดับตลผู้ทุชนทั่วไปนั้นอนุโลมเป็นเสขะบุคคลคือผู้ที่ยังต้องศึกษาเพื่อคุณธรรมเบิ่มงสูงขึ้นไปโดยใช้การขัดเกลากิเลสได้เจอจางเบาบางลงไปจะมากหรือน้อยก็ตามก็ถือว่าได้ผ่านการศึกษาในชั้น น, นั้น คำหมายของคว่าความหมายคําว่าการศึกษาที่เป็นผลนั้นจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงในทางพฤติกรรมโดยการแสดงอาการของศีลของมัน ญ, ญาติของอาจาระออกมาหมายความมีกายสงบขึ้นมีวาจาสงบขึ้นมีกิริยาการที่อยู่ในกรอบของอาจาระมีกรอบของมรน ญ, ญาติที่ควรแก่การประพฤติปฏิบัติ ซึ่งอาการที่แสดงออกมาได้เช่นนี้ก็หมายความว่าในด้านจิตใจก็มีความสงบจากกิเลสเพิ่มขึ้นแม้จะยังมีกิเลสบางระดับที่เราเรียกว่าปริยุทธานกิเลสคือ ก, ก, กิเลสที่เกิดขึ้นคุ่งรุมใจก็ใช้การศึกษาในดับของสมาธิโดยการพยายามเพิ่มภูมิธรรมะให้มากขึ้นภายในใจ เมื่อปริมาณธรรมะเพิ่มขึ้นปริมาณขอ ง, ของกิเลส ก, ก็ต้องลดลงไปโดยธรรมชาติทำนองคล้ายๆในจุดหนึ่งเมื่อปริมาณของความเย็นเพิ่มขึ้นปริมาณความร้อนก็ตรองลดลงไปในทางตรงกันข้ามถ้าปริมาณความร้อนเพิ่มขึ้นปริมาณความเย็นก็ต้องลดลงไปหรือเมื่ออาหารเพิ่มขึ้นความหิวก็ต้องลดลงไปนั่นเด็กันเป็นวิถีทางแบบธรรมชาติ เมือการปิบัติระดับที่เรียกว่าเป็นสมาธิโดยนยัยหนึ่งท่านเรียกว่าเป็นปะหานะคือมุ่งไปทางการละนิวรณนันยหนึ่งก็เรียกว่าภาวนาคือมุ่งในการเสริมสร้างธรรมะการละนิวรณ์มีลักษณะเหมือนกับการขัดสนิมที่ภาชนะก็าขัดไปเรื่อยสนิมนั้นก็ จะหมดลงไปแล้วภาชนะนั้นก็กสะอาดสูงขึ้นจนถึงมีความสะอาดปราศจากสนิมในที่สุดซึ่งเราจะเห็นว่าในการละนั่นเองมันก็เป็นภาวนาอยู่ด้วยคือเป็นการเพิ่มพูนส่วนที่ดีงามขึ้นมาด้วยตนนัวแนววิภาวนาก็มีลักษณะตรงกันข้ามคือเป็นการเพิ่มปริมาณของความดีขึ้นแราวเป็นภาชนะก็คือเพิ่มส่วนที่ ไม่มีสนิมให้มากขึ้นซึ้งหมัยความมาตัวสนิมเองก็ถูกกระจัดออกไปผลที่ปรากฏแก่ภาชนะก็มีลักษณะเดียวกันก็คือสะอาดปราศจากสนิมใจของพระบุคคลที่มีการขัดเกลาโดยแนวปหานะคือการละชั่วโดยแนวภาวนาคือการปฏิปติพระธรมผลจะออกมาในแนวนั้นที่ต้องกล่าวถงผลสูงสุดว่า บริสุทหมดจดจากอาสวะกิเลสเครื่องสมองทั้งหลายระ ด, ดับนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นแก่พระอระหันต์แต่าหากความลดหลันลงมากิเลสก็ไม่ถึงก็หมดไปอย่างสิ้นเชิงแต่เป็นการลดละลงไปโดยลําดับสมาความปริมาณความดีก็เกิดขึ้นเพิ่มพูนขึ้นโดยลําดับเช่นเดียวกันสิ่งโยที่กล่าวมาโดยลําดับนั้น เราจะพบว่าทั้งหมดที่จริงก็สืบเนื่องมจอาจากอวิชาวางหลงก็ เ, เหมือนปริยายก็ธรรมะข้ออื่นๆช่นเราพูดถึงกุศลกรรมบด ท, ทั้ง10ประการพูดถึงการงดเป็นแด่การทำลายชีวิตล่วงละเมิดในสิทธิทางทรัพย์สินคู่ครองพูจธาโดยคำสัต์คำจริงเสริมสร้างสามัาคคีพูดคำไปราะอ่อนหวานพูดคาที่มีสารประโยชน์ ไม่โลภอยากด้าอคนอื่นไม่พยายามบังคัองรา้ายบุคคลอื่นตัณง์้ารประการนั้นที่จริงเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่มีความเห็นเป็นสมาริจิตตัวสมาริจิตเป็นตัวอะไรก็ เ, เป็นตัวปัญญาสิกขาปัญญาจะมีลักษณะเหมือนกระแสงสว่างก็ เ, เกิดขึ้นในจุดใดนอกจากจะให้แสงสว่างแล้วยังทําหน้าที่ขาจัดความมืดและคนเห็นสิ่งที่อยู่บริเวณนั้นตามความเป็นจริงอีกด้วย คามกิเลยทั้งปูงนั้นมาจากอวิชชาโน้ปัญญาซึ่งเป็นแสงสว่างที่ในทีน่นี้นั้นเรียกว่าสมาธิิก็เกิดขึ้นภายในใจเ้ื่อทำหน้าที่กระจัดทั้งโลดทั้งโกรธทั้งหลงให้ลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับอย่างน้อยที่สุดก็คุมการกระทําการพูดและความคิดของตนเองเอาไว้ให้อยู่ในกรอบของกุศลกำหนดทั้งสิบประการ ถึงจะมองกลับไปที่พื้นฐานทางใจก็หมายความว่าตัววิชานั้นก็ควลดลงไปในระดับหนึ่งแต่การปฏิบัติระดับละสังโยชน์นั้นเป็นการพูดในระดับที่เรียกว่าตัดขาดไปเลยเป็นการตัดขาดไปสมรบพระยาบุคคลระดับพระโสดาบันเป็นต้นมาจะเป็นการตัดขาดไปโดยลาดับสํารสาหรับสามัญชนก็คือการ ลดละการขัดเกลาให้กิเลสเหล่านี้ลดความรุนแรงลงไปทึวย่งก็อให้เป็นความสุขความสงบปรากฏขึ้นภายในจิตผลที่ปรากฏภายในจิตก็คล้อยตามผลที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าและพระหันทั้งหลายลักษณะโดยเสด็จรอญบุ่บาทของพระองค์แน่นอนผลเหล่านั้นไม่ใช่ความสมบูรณ์เต็มที่แต่ว่าเราสัมผัสในระดับหนึ่ง สัมผัสความปัญญาได้ระดับหนึ่งสัมผัสความมิสุตได้ระดับหนึ่งสัมผัสความเมตตากรุณาได้ระดับหนึ่งซึ่งก็จะให้ผลไปตามสมควรแก่ธรรมานุธรรมปฏิบัติเอาความว่าสร้างขึ้นได้มากผลก็เกิดขึ้นมากสร้างขึ้นได้น้อยผลก็เกิดขึ้นน้อยแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือให้ผลตามสมควรแก่เหตุเสมอไปอริชาจริงชื่อว่าเป็นรากง่าของกิจเลส ในสายนี้ท่านพูดในแนวละแต่ถ้าสายของการภาวนาท่านจะพูดในแนววิปัสสนาถ้าความมาเพิ่มพูนแสงสว่างขึ้นความมืดก็จะหายไปเองแต่แนนี้พูดในแนวของการลดละความมืดทมอวิชชาทั้งคืออะไรอวิชชานั้นอาจแปล ไ, ได้สองระดับระดับตงเรียกว่าความไม่รู้อะไรเลย เป็นอาการของความมืดบอดเหมือนเดาอยู่ท่ามกลางความมืดที่มืดจริงๆหรือมืดตือ้อจริงๆมองซ้ายมองขวาไม่เห็นอะไรเลยเรียกว่าไม่รู้เหตรุรู้ผลไม่รู้บาตรรู้กุลไม่รู้กุลรู้โทษเป็นคนร้ายเดียงสาโดยแท้ไปเห็นภาพของคนไร้เดียงสาก็คือเด็กทารกไปจับอะไรเดือดถูกอะไรก็จะกินอะไรนั้นทำไปด้วยความไม่รู้ทั้งนั้น เพราะสวัสดิภาพจะเกิดขึ้นกับเด็กทารกได้ก็อยู่ที่ปีเลี้ยงคอยดูแลใจใส่คอยห้ามปรามคอยดึงเอาไว้คอยจับไว้แต่ปลายใสเข้าปาไปไม่หมาไม่ควรก็รีบดึงออกมาเป็นต้นหมายความคนประเภทนี้ก็ต้องอาศัยคนอื่นช่วยทำจุนช่วยสดับสนุนทุกสริเสริมที่ระ ด, ดับหนึ่งเป็นความรู้ที่ไม่จริงคือมหมายความมารู้เหมือนกัน จะเป็นความรู้ระดับที่เรียกว่าเป็นโลกิยะหมายความว่าเราสามารถฉลาดในเรื่องราวต่างๆได้จริงแต่ว่าจนที่กิเลสจะลดละลงไปนันกิเลสก็กลับเพิ่มขึ้นถ้าพียงสังเกตว่าการอภิษาในส่วนของกดีโลกในการกําหนดของกอพาอว่าปัญญาตรีให้เงินเดือนเท่านั้นปัญญายโทให้เท่านั้นปัญญายเอกให้เท่านั้น วงการศึกษาจึง ม, มุ่งไปสู่อัตราเงินเดือนที่เราจะได้จากการกำหนดของก อ, อ, อถ้ถเป็นส่วนราชการถ้าเป็นฤกษกษมนก็เป็นการกำหนดหน่วยงานนั้นๆถ้าได้ตามที่เราต้องการเราก็พอใจไม่ได้ตามในการจะเกิดโทษสัครไม่ยอมรับนักศึกวิทยาฐานะของเราเราจะเกิดโทษสะกรายในขณะเดียวกันก็หลงตัวเองเป็นมารนะคืออัตรามันจะใหญ่ขึ้นโดยลำดั ที่นพูดอีกในแง่หนึ่งว่าเป็นความรู้ประเภทที่เรียกว่าความโลกคือขนานไปกับโลกส ม, มุนาสนาทัานใช้คำว่าดีรารวิชาที่จริงก็ไม่ใช่คํายาบอะไรเป็นวิชาที่ขนานไปกับโลกมหมายความว่าก่อเกิดการยึดติดการหลงโลกการไม่ยอมทิ้งโลกนี้ไปแล้วก็อยู่ในโลกด้วยความเขา่าความงมาย จิตใจก็จะไหลไปตามกระแสของอารมณ์กระแสของกิเลสที่มีการกระตุ้นเร่งร้ามาจากข้างนอกบางเดี๋ยวนึกจิตนึกไปจากไหนาบางความรู้นี้ที่จริงก็รู้แต่เป็นความรู้ที่ไม่อาจเอาตัวรอดได้เพราะในเราพระพุทธเจ้าทรงพูดถึงปัญญาึพื่อจะมันข้ามบาวิชาเนี่ยก็ทรงแสดงในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมว่า มีปัญญาที่บริหารตัวเองได้หมายความความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นอย่างน้อยที่สุ ด, ดก็ควบคุมตัวเองได้บริหารตัวเองได้สามารถป้องกันภัยอันตรายที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นได้สามารถมองเห็นทุกโทษภัยอันตรายที่มีอยู่แล้วภายในใจให้ล ะ, ละเจตจางเบบางลงไป ได้มีความสามารถที่จะเสริมสร้างคุณธรรมความดีที่ยังไม่เกิดให้บังเกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็พร้อมที่รักษาคุณธรรมความดีที่มีอยู่แล้วไม่ให้เสื่อมไปทึ่งโดยการปฏิบัติในไตรยนี้ทําให้ความชั่วนั้นลดลงปริมาณความดีเพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่งความดีก็จะสมบูรณ์ความชั่วก็จะหมดสิ้นไป จึงจะเป็นเรื่องหายโดยธรรมชาติธรรมดาคล้ายๆกับความเย็นเกิดขึ้นเต็มที่ความร้อนก็หมดไปโดยธรรมชาติของามาันกรณีในลักษณะนี้จึงเป็นเรื่องที่จะต้องพยายามบำเพ็ญหรือพิ่มพูนขึ้นอย่างน้อยก็อยู่ในจุดที่บริหารตัวเองอีกในย่าหนึ่งที่สรงใช้มากเรียกว่าสติเนป ก, กะ มีสติสัมปชัญญะรักษาตัวคุ้มครองตัวได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรากว่าปรั้าโดยอัตโนมัติคล้ายๆกับเรามีสติสัมปชัญญะดีเราเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งได้ เ, เห็นว่าจะเป็นอันตรายก็เกิดป้องกันสัมบูรว์ฝังได้ในขณะนั้นๆเช่มีกลิ่นที่อาจจะเป็นพิษเป็นภยัยเราก็อ่านลมหายใจได้ มีฝืนละอองทุลีที่พัดผ่านมาเราก็ปรีตาจะได้หรืหลับตาจะได้มีอะไรที่จะเข้าไปทางปะเห็นถ้าไม่ดีก็มดเว้นได้ไปตรงหรือแม้จะมีอะไรกระพรกทางผิวเราก็ป้องกันได้ก็หลบเหล็กได้แสดงว่าเป็นบัญญัติที่คุ้มครองตัวเองรักษาตัวเองได้แต่ใ น, นของอวิชาที่ว่าไป วันนั้นผมสังเกตว่าปริมาณปัญญายัางไม่มากยังไม่มากพอคือไม่อยู่ในจุดที่บริหารตนเองหรือคุ้มครองตัวเองได้เป็นถึงหรือว่าเป็นความรู้ที่ไม่จริงกนนีที่สังเกตว่าตามปกติแล้วคนเราถ้าถามอะไรไม่ดีอะไรดีนี่เราจะบอกได้ทุกคนเป็นถามเรื่องอบายามุกดีหรือไม่ดีนี่ทุกคนก็บอกว่าไม่ดี กิจกรรลดเว้นอาบายามุกดีหรือไม่ดีทุกคนก็บอกกายวัดดีและแม้แต่คนที่มัวมองมุกมุ่นอยู่กับอาบายามุกเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุราเล่นการพนานคบคุณชั่วเป็นมิเกียรคราดทาการงานเที่ยวกลางคืนตื่นการเล่ น, นต่างๆกะไปสอบถามขาวว่าการกระทาของคุณนี่ดีไหมเขาก็จะบอกว่าไม่ดี จะแสดงว่าจริงๆแล้วก็รรู้ทางเสือ่อมรู้ทางเจริญรู้อะไรเป็นทางเสือ่อมทางเจริญรู้อะไรเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุนเป็นโทษแต่เอาคจริงแล้วมันก็หลีกเว้นไม่ได้มันขาดปัญญาระดับุ้บคองตัวปัญญาระดับบริหารตัวมาความก็มีปัญญาอยู่ระดับหนึ่งซึ่งถ้ายังอยู่ระดับนี้ท่านก็ถือว่าเป็นอวิชชาอยู่ เพราะไรเพราะอย่างทำให้คนหมุนวนในสังสารวัฏวันนี้ท่านสาชนทั้งหลายคงนึกต อ, อกว่าการหมุนวนในสังสารวัฏของบุคคลทั้งหลายตั้งแต่สามัญชนทั่วๆไปก็สิ่งมีชีวิตทั้งหลายจนถึงพระอนาคามีบุคคลนั้นมันขึ้นอยู่กับกิเลสที่ท่านเรียกว่าอวิชาสังขารแล้วก่ให้เกิดวิญญาณขึ้นมา อันที่จริงพระอนาคามีนั้นจะละกิเลสได้เยงะนัละกิเลสทั้งห้าอย่างแล้วก็เป็นกิเลสที่ละยากดังนั้นแต่ทงางเ็าละได้ละความเห็นเป็นเถือตัวถือตนทือเราถือเขาเป็นพวกเราเพวกเขาละกิเลสประเภทเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจแต่ัดสินใจไม่ได้ละกิเลสประเภทถือมั่นรือศีลวัดดข้อปฏิบัติความงมงายลเหตุผล จนกายลมความยึดมั่นถือมัน่นละกิเลสประเภทที่มีความหงุดหงิดความรำคาญความไม่พอใจละกิเลสประเภทที่ก่อให้เกิดความกําหนัดเพศิดเพลินยินดีในอารมณ์ทั้งหลายเมื่อความกิเลสเหล่านี้ไม่มีแต่เป็นเพื่อเกิดวัฒละอวิชญาอย่างไม่ได้เมื่อละวิชาไม่ได้ท่านก็ต้องหมุนบนอยู่ในสงสารวัฏเดียน้อยก็หนึ่งชาติต้องเกิดอีกหนึ่งชาติ ทีท่านเรียกว่าอนาคามีแปลว่าผู้ไม่มาสู่โลกนี้อีกแล้วซึ่งจะแสดงวาตายแล้วก็ต้องเกิดในสุดทาวาในพรหมโลกชั้นสุดทาวาตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าอาวิชชาท่านย่างละไม่หมดสังขารของท่านนั้นที่จริงเป็นระดับกุญยาพิสังขารนะพิสังขารคือบุญล้วน แล้วก็นเนนชาวิสังขารคือรูปประชาตินะรูปประชาติซึ่งกำลังของรูปประชาตนั้นมีกำลังแก่กล้าธำใหท่านมันเกิดเป็นรูปประคุมรูปผลของรูปประชาตแต่การที่ให้มันเกิดเนี่ยเพราะว่าอาวิชชายัางไม่หมดในระดับนี้ท่านยังเรียกว่ามีอวิชชาจะโบ ก, กาไปใ ย, ยัยทุงสามมชนทั่วไปที่ไม่พูดเรื่องอวิชชา หมายความว่าถ้าตราบใดที่กิเลสยังไม่หมดท่านก็เรียกว่าอยู่ในกรอบคองวิจารณ์นั่นเองความไม่รู้ที่เรียกว่าวิชารณโดยเนื้อหาหลักแล้วท่านจะเน้นไปที่ความไม่รู้แปดประการซึ่งทั้งหาชนทั้งหลายคงนึกได้ว่าสังโยชนประเภทที่เรียกว่าวิจิกาคือเครืองแครงสงสัยไม่แน่ใจปักใจลงไปไม่ได้ มีศรัทธาที่งอนเงันครอนแคลแคนไม่ค่อยมีเหตุมีผลอะไรการขจัดในตอนแรกนั้นท่านมุ่งขจัดด้วยศรัทธาไปก่อนแต่เพื่อกิเลสจริงๆวิือกิจกานั้นเป็นโมฆะเป็นพวกกวิชาเหมันกันถ้า เ, เราตเก็บเวลาเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจตัดสินใจไม่ได้หมายความว่ารู้ไม่จริงแต่รู้จริงก็ตัดสินใจได้ มีความเครือนแปลงสงสัยจุกเดินไปเจอทางสองแพร่งสีแพร่งสามแพร่งกระตับตัดสินใจได้เรียวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าได้ทันทีโดยไม่จําเป็นจะต้องไปลังเลอะไรแต่การเรียงมีความเครือนแปลงสงสัยอยู่นั้นแสดงว่ารู้ไม่หมดคือรู้ไม่จริงในแต่ละาั้นนุ่งขยัดที่ก็จัดด้วยศรัทธาคือเชื่อแหล่งที่มาของคาสอน เดี๋ยวก่อ น, นเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์เดี๋เพิ่มความเคลแคลงสงสัยจึงจะออกมาในรูปของเคลือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และในใจจิกขารวมแล้วก็4ประการในความเคลแคลงสงสัยไม่แน่ใจในเรื่องชีวิตที่เป็นอนดีตผ่านมาแล้วตั้งคําถามขึ้นมาหาคําตอบแล้วก็ตอบไม่ได้ เราเคยเกิดมาแล้วหรือไม่หรือว่าเราไม่เคยเกิดถ้าเกิดเราเกิดเป็นอะไรมีความสุขมีความทุกข์ยังไงมีฐานะอาชีพยังไงมีพ่อแม่ชื่ออะไรตายจากชาตินั้นแล้วเราไปเกิดเป็นอะไรมีสุขทุกข์ยังไงมันก็ตั้งวันหาถามบงบุ่นอย่างเงี้ยตลอดนั่นแสดงให้เห็นว่าเป็นความเคลือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในชีวิตอดีต แล้วเกิดความเพื่อแฝงสงสัยไม่แน่ใจในเรื่องอนาคตโดยจะเกิดอีกหรือไม่หรือว่าจะไม่เกิดอีกถ้าไม่เกิดอีกจะเป็นอะไรถ้าเกิดอีกจะเกิดจะเกิดเป็นอะไรจะเกิดที่ไหนมีสุขมีทุกข์ยังไงมันก็ตั้งปัญหาถามได้ทั้งสองสายถ้าไม่เกิดการสงสัยในปัจจุบันหรือทั้งอดีตและอนาคตแลสงสัยในกฎเกณฑ์หลักการของสังสารวัตรหักการของกรรมที่เรเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท อะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรเป็นเหตุของอะไรทําไมสิ่งนี้จึงมีทำไมสิ่งนี้จึงไม่มีอะไรแต่ไหนเนี่ยจะเกิดความสงสัยซึเราจะเห็นว่าระดับของวิจิตรจานั้นมันเป็นได้ทั้งนิวรนเป็นได้ทั้งสังโยชนแล้วก็เป็นได้ทั้งพวกอนุใสเป็นได้ทั้งพวกมะละคือมวลชินที่เกิดขึ้นภายในใจใน ต, ตอนแรกๆนั้นท่านจะมุ่งขจัดไปวศรัทธาไปก่อน แต่ตัวกขจัดตรงที่จริงคือปัญญาเหมือนกันเพราะความไม่รู้ที่เรียกว่าอาวิชชาจรงิจรงๆจงึจ ง, จงไม่ใช่หมายความไม่รู้กุลพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เพราะตรงนั้นมันขจัดด้วยความเพ้อแกรไปแล้วรจัดด้วยการใช้ศรัทธาไปแล้วทําให้เราพบผลต่อไปที่เกิดขึ้นแก่พระญาบุทโธในเับเพรศตบัน ดันบอกว่าเป็นผู้ศรัทธาเชื่อมั่นในหวาดไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ให้ไใจศีกขาจึ่งแสดง ว, ว่าตรงนี้เป็นอาการของศรัทธาไม่ใช่อาการของปัญญาที่สมบูรณ์แต่พอมาถึงเรื่องของราวิชาปรากฏว่าต้องใช้ปัญญาเป็นหลักวิชาจะแม่ออกไปเป็นสี่ประการเป็นแปดประการเหมือนกัน คือไม่รู้ในเรื่องของทุกข์ไม่รู้ในเหตุเกิดแห่งทุกข์ไม่รู้ในความรับทุกข์ไม่รู้ในข้อปฏิบัติถึงซึ่งความรับทุกข์ไม่รู้เรื่องอดีตไม่รู้เรื่องอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้ในกฎของปฏิยาการหรือกฎของปฏิยาสมบัติดังกล่าวก็จะเห็นว่าเวลารู้จริงๆนั้นท่านพูดแค่รู้อริยสัจสีก็ชื่อว่ารู้อสี่อย่าง การเรื่องของอริยสัจี่จึงครอบคุมสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเอาไว้เราจะพูดในแง่ของขันธ์ห้าริยสัจสี่ก็เป็นขันธ์ห้าเราจะพูดในแง่ของธรรมะส่วนอะไรก็ตามก็เป็นเรื่องของอริยสัจท่านั้นเวลาปฏิบัติให้ถึงความรู้ก็คือรู้อริยสัจสี่ ก็ยืนว่าบางอย่างอริสสีเองก็ต้องอาศัยความเชื่อเหมือนกันเช่นเรามีความเชื่อว่าสิ่งที่เรียกว่าทุกข์นั้นเป็นทุกขจริงโดยเฉพาอย่างยิ่งคือสังสารทุกข์ทุกในการหมุนบนในสังสารวัฏเราไม่มีปัญญายอย่างไปไกลขนาดว่าจะมีสังสารวัฏในอดีตอนาคตรหรือไม่ เราก็ใช้ความเชื่อในการตัดรู้ของพระเจ้าพระเจ้าทรงแสดงไว้เราก็เชื่อก็มีสังสารวัตรมีการหมุนบนญอยู่ในสังสารวัตรคนเราเกิดมาด้วยกําเนิดที่แตกต่างกันรูปร่างแตกต่างกันภูมิธรรมสติปัญญาแตกต่างกันเพราะว่าผลกรรมที่แต่ละคนทําไว้นั้นไม่เหมือนกันเราก็รู้ว่าเชื่อว่าเหตุแห่งทุกนั้นเป็นเหตุแห่งตกจริงได้เฉพาอย่างยิ่ก็คือระดับสังสารถูก อาุโทษของกิเลสอย่างจริงๆรู้ว่าความดับทุกข์เป็นความดับทุกข์จริงหรือเชื่อว่าความดับทุกข์เป็นความดับทุกข์จริงเทียข้อปฏิบัติไดถึงซึ่งความดับทุกข์เป็นข้อปฏิบัติไดถึงเรื่งความดับทุกข์จริงๆริงนึ่งไม่ต้องอาศัยความเชื่อก็อะไเพราะว่าจริงๆแล้วเราไปยังไม่ได้ทันหันแต่ว่าการจะขจัดจริงๆนั้นจะต้องขจัดด้วยอานาจของปัญญาหรือเทียกว่าสัมมาทิฏฐิ ตอนเวลาอธิบายอริยมรรคข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิเราล่าสัง่งว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายสัมมาทิฏฐิเป็นยังไงคือความรู้ในทุกหนึ่งความรู้ในเหตุเกิดแห่งทุกหนึ่งความรู้ในความดับทุกหนึ่งความรู้ในข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับทุกหนึ่งพิสูจน์ต่งหลายนี้คือสัมมาทิฏฐิแปลว่าปัญญาเห็นชอบคําว่า ท, ทุกนั้นหมายความว่าอย่างไง ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องมัศธาดังกลา่าวส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้ปัญญาพิติชนะจนสามารถปรับใจให้ยอมรับความจริงของความทุกข์เหล่านั้นว่าเป็นทุกขจิตแต่ความรู้ที่บังเกิดขึ้นนั้นจะต้องสามารถถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในกานแะห้าออกไปได้ถ้ารเราสัเกตว่าที่เรารู้สึกเป็นทุกข์เนี่ย เพราะเราไปเกี่ยวเกาะว่าเป็นของเราบ้างว่าเป็นเราบ้างว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเราบ้างเช่นความตายเป็นทุกข์ปัญหาว่าใครตายความแก่เป็นทุกข์ปัญหาว่าใครแก่ความเจ็บเป็นทุกข์ปัญหาว่าใครเจ็บการพัดพลาดเป็นทุกข์ปัญหาว่าใครพัดพราดกับใครหรือพัดพราดกับอะไรความทุกข์เหล่านี้จึงอยู่ที่ใจไปยึดปั้นถือปั้นไคร เราสังเกตว่าคนบางคนตายหรือความตายที่เกิดขึ้นแก่คนบางคนคนเหล่านั้นเราไม่รู้จักมักจี่อะไรเราก็เฉยเฉยไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุขไม่มีทั้งเสียใจดีใจคนที่ตายนั้นเป็นศัตรูกับเราแต่ที่จะเกิดทุกข์และดีใจคนนั้นเป็นที่รักใคร่สนิทเสน่หาของเราเราเกิดความทุกข์ แสดงวาแสดงว่าเรายึดถือว่าคนเหล่านั้นเป็นมิตรของเราเป็นญาติพี่น้องของเราเป็นพ่อแม่เป็นลูกเป็นสามีพันยาของเรามันใจจะต้องไปเกาะด้วยคำว่าของเราหรือเกาะด้วยคําว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เจริส ม, มติโรถคนสื่อมยศความสื่อมยศเป็นทุกข์ตั้หาว่าใครเสื่อมยศ เมื่อกลับมาที่เดิมมาถ้าคนที่เป็นศัตรูกับเราไดถูกถอ ด, ดยดเราจะดีใจมากคนที่เป็นมิตรเป็นสหายกับเราถูกถอ ด, ดยศเราจะเสียใจคนที่เราไม่รู้จักมักยีอะไรกันเลยก็ถูกถอ ด, ดยศ เ, เราก็เฉยๆถ้าเรานังเกตเราแต่ละอย่างมันอยู่ที่ใจไปยึดไปยึดเรืนน่องมากตัหาว่าของเราของเราของเรามากเท่าไหร่จะมีปัญหาเพราะของเรามากทำนั้น อะไรที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าตาหน้ทั้งหลายนั้นเป็นภาระที่จะต้องแบกตอหามแต่คนก็ยังแบกจังหามกันอยู่การแบกหามขันตาห้านั้นเป็นทุกข์แต่การปล่อยวางีะได้ก็เป็นสุขจะมีพ่อแม้ว่าปล่อยวางแล้วไม่ไปยึดถืออย่างเงียบๆไปยึดถืออย่างเงีกบมันก็ออกทุกข์อีทำนองคล้ายๆก็เราหาตอหามของไป วาของอย่างหนึ่งมาไปหาของอย่างหนึ่งว่าของอย่างหนึ่งมาหาของอย่างหนึ่งถ้าถาอย่างนั้นแล้วก็เลิกพูดเรื่องเรื่องความเบาความสบายแต่ะว่าเราต้องแบกอยูเรยเปลี่ยนด้วยเฉพาะสิงง่งที่แบกเท่านั้นเองดังนั้นการการรู้เรื่องของความทุกข์จิงจะต้องเกิดเป็นความรู้ระดับที่เรียกว่าเป็นญาณคือเกิดผุดขึ้นภายในใจของตัวเอง สามารถเทียบถาถอนลดละความยึดถึดรู้สึกว่าเป็นของเราในสิ่งทั้งหลายในคนทั้งหลายในสัตว์ทั้งหลายความรู้สึกว่าเป็นเราในตัวของเราในความเป็นของเรารู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนโดยความยึดมั่นถือมั่นของเราออกไปซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากความเป็นตัวเป็นตนด้วยมีตัวมีตนเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเป็นตนและเรารู้สึกว่าเรามีตัวมีตน การรู้สึกว่เราเป็นควายคว้าปราถนาเพื่อความเป็นการรู้สึกว่าเราได้เรามีมีการควายคว้าปราถนาเพื่อความได้ความมีแล้วต้องต่อสู้ประหัตประหารกันเพื่อให้ตนได้ตนมีบางทีก็พร้อมที่จะทําบาปเพื่อความได้ความมีของตนตอนนี้เล่นแล้วแต่เป็นผลที่สุดเรื่องมาจากอาวิชชาซึ่งที่จริงก็หยาบหยาบเป็นเรื่องของความไม่รู้บา ป, ปรู้บุญรู้คุณ ร, ร, รู้โทษประโยชน์แต่ไม่ใช่ประโยชน์ จังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ควกคุมกิเลสไว้ได้ก็มีการกระทาที่เป็นทุจริตทางกายบ้างธรรมจาติบ้างหรือแม้จะเป็นความคิดในด้นจิตใจจิตใ จ, จของบุคคลผู้นั้นก็ยังชื่อว่าถูกพัร น, นาการด้วยตัณหามาณะและจิติตแต่ถ้าเกิดพิจารณาจนรู้เห็นตามความเป็นจริง จะแนวของกามพิจารณาที่ส่งแสดงไว้ในปัญหาปัจจุบัขณะที่ท่านสาชนทาลายสวยดอยู่เป็นประจำนั้นถึงจะเว่าทั้งหมดนั้นให้สุกศึกษาเรื่องความทุกข์แต่ให้ทรงใช้ปัญญาพิณิพิจนาเฉพาะเรื่องกันไปเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วมพ้นความแก่ไปได้ความเจ็บไายเป็นธรรมดาม่ร่วมพ้นความเจ็บคไายไปได้มนความตายเป็นธรรมดาม่ร่วมพ้นความตายไปได้มีการรักรักจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไป ตัวนี้ไปพอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป